มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาหาความรู้จากพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้สิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่พวกเราควรจะรู้กันนี้ก็มีอยู่สองสิ่งด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจ นี่คือสิ่งที่เราควรรู้จักให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักร่างกายและจิตใจเราจะมีปัญหาตามมาปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดจากการที่ไม่รู้จักร่างกายและจิตใจไม่ได้ศึกษา ความจริงของร่างกายและจิตใจว่าเป็นอะไรกันแน่พวกเราทุกคนจะเหมากันว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราเราคือจิตใจเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาได้ร่างกายจากพ่อแม่ของเราใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราเลยไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา เราก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่เห็นตัวผู้รู้ผู้คิดเองเห็นแต่ร่างกายที่ได้มาเกาะติดอยู่ตั้งแต่เวลาที่ตั้งคันขึ้นมาในท้องแม่พอออกมาจากท้องแม่ผู้รู้ผู้คิดก็ไปเหมาว่าร่างกายเป็นเรา เป็นตัวเราพอไปคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราก็มีความอยากให้ร่างกายเหล่านี้ดีให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงให้ร่างกายของเราอยู่ไปตลอดแอ่ความจริงของร่างกายนี้ <c oughs> มันไม่ได้เป็นไป ตามความอยากของเราเร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดเวลาที่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 การที่ไม่รู้จักเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจถ้าได้รู้แล้วจิตใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าจิตใจรู้ว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้จิตใจจิตใจได้ร่างกายมาจากพ่อแม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกาย พาจิตใจไปไหนมาไหนไม่ทําอะไรตามความอยากต่างๆของจิตใจเรามาที่นี่ได้กันในวันนี้ก็เพราะเรามีร่างกายพาเรามาแต่ร่างกายจะมาเองไม่ไดออ้ร่างกายต้องรอรับคําสั่งจากใจก่อนใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายมาที่นี่มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานร่างกายต้องรอรับคำสั่งจากใจถึงจะสามารถทำอะไรได้ถ้าใจไม่สั่งร่างกายก็จะไม่ทำอะไรนี่คือความจริงของร่างกายและ ใจหรือจิตใจจิตใจนี่ต่างกับร่างกายตรงที่จิตใจไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บร่างกายนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจรู้ความจริงว่าเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวแต่เพราะไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายนี้เองพอไปคิดว่าเป็นใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา เกิวความทุกข์ต่างๆขึ้นมาเพราะว่าใจไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองแต่ถ้าเราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าเวลาร่างกายแก่เราไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกาย เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องมีความตื่นเต้นตกใจเดือดร้อนไหวกลัวเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเรานี่เป็นสองคนเรากับร่างกายนี่เป็นสองคนจะเรียกว่าเป็นฝาแฝดก็ได้เป็นฝาแฝดแบบแฝดสยามด้วย คือเกาะติดกันไม่ได้ฝาแฝดแบบแยกกันออกถ้าแยกกันออกเราก็จะเห็นได้ชัดว่าแฝดพี่กับแฝดน้องนี้เป็นคนละคนกันเวลาแฝดน้องเป็นอะไรแฝดพี่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับแฝดน้องหรือเวลาแฝดพี่เป็นอะไรแฝดน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับแฝดพี่ เพราะเป็นคนละคนกันแต่พอมาเป็นแฝดสยามมาเกาะติดกันเวลาแฝดน้องเป็นอะไรก็อาจจะทำให้แฝดพี่เป็นอะไรไปด้วยแต่ใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ไปเกิดขึ้นกับใจ ถ้าใจรู้ความจริงใจด um ูใจรู้ร่างกายเหมือนกับรู้ว่าร่างกายเป็นเหมือน like well, คนอื่นเวลาคนอื่นเป็นอะไรเราเดือดร้อนัหมเวลาร่างกายของคนอื่นเจ็บเวลาร่างกายของคนอื่นแก่เวลาร่างกายของคนอื่นตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไป เขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปถ้าทำอะไรให้เขาได้ช่วยเขาได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้จะให้ทำอย่างไรช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจทำใจให้เขาแก่ไปเขาเจ็บไปเขาตายไปเท่านั้นเองปัญหาของใจที่มาทุกกับร่างกายเพราะอะไร ปัญหาของใจที่มาทุกข์กับร่างกายเพราะใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั่นเองใจไม่มีความสุขในตัวเองหาความสุขในตัวเองไม่เป็นไม่รู้ว่าในตัวเองนี้มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้รับผ่านทางร่างกายเมื่อไม่รู้ความจริงอันนี้ ก็เลยไปพึ่งร่างกายไปพึ่งร่างกายหาความสุขให้กับใจออความสุขที่ร่างกายหาให้กับใจได้ก็เป็นความสุขที่เป็นความสุขปลอม เ, ออเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างใน เ, ออเหมือนปลาที่มีก้าง เ, ออเวลา ถ้ากินเนื้อปลาไม่ฉลาดคิดว่าเป็นเนื้อปลาล้วนๆเดี๋ยวก็ต้องถูกก้างตาปากฉันใดความสุขที่ใจหาผ่านทางร่างกายใจมักจะคิดว่าเป็นความสุขล้วนๆพอไปหาเข้าไม่ช้าก็เร็วก็จะเจอก้างที่มากับความสุขทางร่างกาย ก็คือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาพอก้างของความสุขทางร่างกายคืออะไรก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่จริลังทาวรของความสุขที่ได้มานั่นเองความสุขต่างๆที่ใจอาศัยร่างกายไปหามานล้วนเป็นอนิจ้ง คือไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมีได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสียมีเจราแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีดับเวลาได้มาก็จะมีความสุขแต่พอเสียไปก็จะมีความทุกข์ตามมาอันนี่คือ ปัญหาของใจที่ไปทุกข์กับร่างกายเพราะอยากให้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่มีก้างมีความทุกข์ติดมาก็ยังดีกว่าไม่มีความสุขเลยใจจึงต้องพึ่งร่างกายคอยหาความสุขให้อยู่เรื่อยๆ ความสุขที่ได้มาถ้าหายไปหมดไปก็หาใหม่หามาใหม่หมดก็หามาใหม่เพราะยังคิดว่าดีกว่าไม่มีถึงแม้จะเสียใจก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ลืมไปพอได้อะไรมาดีใจพอเสียไปก็เสียใจเสียใจไปสักระยะหนึ่งก็ลืม ก็หายก็เกิดความอยากได้ความสุขใหม่ก็ไปหาความสุขแบบเก่าอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียใจอีก น, น, นี่คือวิธีหาความสุขของใจที่ไม่รู้ว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามีอยู่ในใจของตนเองเลยต้องไปหาผ่านทางร่างกาย แล้วก็เลยทำให้ต้องพึ่งร่างกายแล้วก็ต้องหวังให้ร่างกายนี้แข็งแรงให้มีความสามารถที่จะคอยหาความสุขต่างๆให้กับใจได้อยู่เรื่อยๆแต่ความหวังอันนี้ก็เป็นความหวังที่จะต้องล้มเหลวเพราะมันไม่เป็นมันไม่ตรงกับความเป็นจริงของร่างกาย ร่างกายนี้เราหวังเราพึ่งได้ตอนที่เขามีกำลังวังชาแต่พอเขาเริ่มเข้าสู่วัยชราเริ่มแก่เริ่มมีความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆตอนนั้นก็จะพึ่งร่างกายไม่ได้หรือพึ่งได้ยากขึ้นได้น้อยขึ้นแล้วในที่สุดก็จะพึ่งไม่ได้เลย เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องตายไปนี่แหละคือเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ทุกขเพราะว่า ต, ต้องการพึ่งร่างกายไปนานๆเพราะถ้าร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์เพียงอย่างเดียว ใจจึงกลัวความแก่ของร่างกายกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายกลัวความตายของร่างกายแต่ถ้าใจได้มาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพนับถือศรัทธาและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ค้นพบว่า เราสามารถใจสามารถหาความสุขภายในใจเองได้แล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเป็นความสุขที่ถ้าทำให้สมบูรณ์แล้วจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดพอมีความสุขภายในใจแล้ว ใจก็ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายพอไม่ต้องพึ่งร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจยังสามารถหาความสุขภายในใจได้เหมือนตอนที่ร่างกายไม่แก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันใจก็ยังมีความสุข ในใจได้เหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปใจก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอะไรไปกับความตายของร่างกายการความเป็นความตายของร่างกายจึงไม่มีผลต่อความสุขของใจนี่แหละเป็นโชค เป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านจากพวกเราไปแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปท่านสร้างตัวแทนมาทาหน้าที่มาบอกข่าวดีให้กับพวกเราว่าพวกเราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เพราะว่าพวกเราไม่ต้องพึ่งร่างกายหาความสุขพวกเราสามารถหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าภายในใจของเราเองเดีวถ้าเราได้มาเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีสองแหล่งด้วยกันตัวแทนที่หนึ่งก็คือ พระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนในขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวของร่างกายและจิตใจสอนทุกวันวันละ 3-4 รอบด้วยกัน ตอนบ่ายก็ส่งสอนศรัทธาญาโยมตอนค่ำก็ส่งสอนพระภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรตอนดึกก็ทรงสอนเทวดา <Yeah. S 1> และตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาต <Yeah. S 1> ก็ท่งแรงยานหรือว่าควรจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น yeah. นี่คือคำสั่งคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในแต่ละวนันแล้วก็มีการจดจำบันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกมีธรรมะถึง8 000, 4ด0สี่พันบทด้วยกันจะเรียกว่า8400ี่ันกันเทศก็ได้เทศสี่สิห้าปีลองคานวณดูวันละสี่ครั้ง วเดือนละเท่าไหร่เดือนละร้อยี่สิบครั้งปีก็พันกว่าสี่สบห้าปีก็เป็นหมื่นห้าหกหมื่นหรือมากกว่านั้นอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าตัวของพระพุทธเจ้านี้เองตัวร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเราถึงแม้เราได้พบพบระพุทธเจ้าได้แตะต้องพระวรกายของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เกิดความรู้เกิดปัญญาอะไรจากการที่เราได้พบร่างกายของพระพุทธเจ้า เราจะได้รับประโยชน์ก็อยู่ที่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองดังนั้นการที่เรายังมีพระธรรมคำสอนอยู่นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราพวกเราไม่ไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะตัวแทนของพระพุทธเจ้า ที่แท้จริงตัวของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็อยู่ที่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองร่างกายของพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเราน่อให้เราได้พระาธาตุกรรมขนาดกรรมมือมาเก็บไว้ครอบครองก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้ว่าจะเป็นพระาธาตุของพระพุทธเจ้าก็ตาม ก็เป็นเพียงวัตถุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่พระธาตุของพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับพวกเราได้สอนความจริงเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจให้กับพวกเราได้พระธาตุนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่าเป็นสักขีพยานหรือเป็นหลักฐานให้เราเชื่อได้ว่า พระพุทธเจ้านี้มีจริงเพราะพระธาตุนี้ก็มาจากร่างกายของพระพุทธเจ้านี้เองเวลาที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายไปก็มีการทำชาปนกิจเก็บศพพระพุทธเจ้าไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนพอวันที่แปดก็มีการถวายพระเพลิงเออหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จ ก็จะเหลือคีดเท่ากับเศษกระดูกหรืออัตตอและอัติของพระพุทธเจ้าบางส่วนก็จะกลายเป็นาธาตุขึ้นม า, าธาตุนี้ก็เป็นเหมือนกับหินเป็นเหมือนก้อนหินก้อนอนัญมณีเป็นเหมือนก้อนพลอยก้อนเพชรอะไรต่างๆนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงะ ไม่ใช่เป็นนิทานเช่ที่เขาแต่งกันขึ้นมานิทานอีศพนี่ไม่มีจริงเด็กเลี้ยงแกะนี่ไม่มีจริงไม่มีเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเทวดางมขวานี่ไม่มีจริงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่เรื่องของพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าตัดสรลโที่ประเทศอินเดียอายุ ส5สิบห้าปีประติที่ประเทศอินเดียแล้วก็มาตัดสู้ตอนอายุสามสิบห้าปีแล้วก็ทรงสแสดงทมตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานมีสถานที่ที่ปรากฏไว้อยู่ที่ประศุที่ตัดสู้ ที่แสดงทำครั้งแรกและที่เสด็จจากโลกนี้ไปเรียกวันนิพพานมีหลักฐานมีสถานที่มีเครื่องยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นความจริงคำสอนที่เราสามารถยึดเป็นที่พึ่งของเราได้ ถ้าเราได้ศึกษาคำส่งคำสอนแล้วมารู้เรื่องและเอาของร่างกายและจิตใจของพวกเราว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราและความสุขที่เราได้จากการหาผ่านทางร่างกายมันก็มีความทุกข์ตามมาด้วย ชีวิตของพวกเราทุกวันนี้จึงคุกเท้าไปกับความสุขและความทุกข์ไม่มีเวลาไหนที่จะไม่ทุกข์กันได้ความสุขมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่พอความทุกข์เข้ามาแทนที่ก็ไปหาความสุขใหม่กันหาความสุขใหม่กันก็มีความทุกข์ใหม่ติดมากับความสุขใหม่มันก็เลย ทำให้เราชีวิตของเรานี่ไม่พ้นจากความทุกข์สถทีพยายามหนีมันอย่างไรมันก็ตามมาเหมือนเป็นเงาตามตัวพยายามหนีมันเวลาทุกข์ก็หนีมันไปหาความสุขเส้นเวลาทุกข์อยู่ที่บ้านหรือทุกข์อยู่ที่ทำงานทุกข์กับคนนั่นคนนี้ก็หนีไปไปเที่ยวกันไปหาความสุขกัน พอกลับมาบ้านความสุขที่ได้ไปหาก็หมดไปความทุกข์ที่รออยู่ที่บ้านก็กลับมาใหม่นี่คือวิธีการหาความสุขของพวกเราวิธีที่เราปวดความทุกข์กันทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหมายเสียทีความสุขที่ได้ก็เดี๋ยวเดียวความทุกข์ที่หายไปก็เดี๋ยวเดียว เดี๋ยวก็กลับมาใหม่นั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีการหาความสุขผ่านทางร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดเวลาอย่างถาวรวิธีกำจัดความทุกข์ผ่านทางร่างกายก็ไม่สามารถกำจัดให้มันหมดไปได้อย่างถาวรเช่นเดียวกันมันก็ต้อง กลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เลยนี่ยิ่งแย่ยใหญ่ยิ่งแย่ ก, กว่าตอนที่ยังพอหาได้ยังมีความสุขสลับกับความทุกข์แต่พอร่างกายแก่แล้วนี่รู้เจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้ความสุขแทบจะไม่มีเลย ม, มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา นี่ละคือปัญหาของพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือไม่ได้ศึกษาจากพระอริยสงสาวกเนี่ยพระอริยสงสาวกนี้ท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พอรู้แล้วว่าวิธีหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ใช่เป็นวิธีที่หาความสุขไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรท่านก็เลยเลิกแล้วก็หันมาหาความสุขภายในใจซึ่งเป็นวิธีที่จะได้ความสุขที่ถาวร และเป็นวิธีที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะเมื่อมีความสุขภายในใจแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเมื่อเราไม่ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายความทุกข์ที่ซ้านมากับความสุขมันก็ไม่เข้ามาในใจเราใจเราก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามา เมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็ยังเราก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับร่างกายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเรายังมีความสุขภายในใจของเราได้อยู่นี่นี่คือพระอริยสงสาวก หลังจากที่ได้ศึกษาได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมาเป็นการหาความสุขภายในใจด้วยการควบคุมใจให้สงบแล้วก็คอยกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป พอความอยากต่างๆหมดสิ้นไปใจก็จะสงบตลอดเวลาใจที่สงบตลอดเวลาก็จะมีความสุขตลอดเวลานี่แหละคือพระอริยสงสาวกที่สามารถปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและเข้าถึงค ว, ความสุขที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึง นั่นก็คือความสุขของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานท่านทรงตัดไว้ว่าเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสุขทั้งหลายทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ผสมเกี่ยวข้องด้วยนี่คือ พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถเข้าหาเพื่อศึกษาความจริงเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของพวกเราได้ถ้าเราได้พบแหล่งใดแหล่งหนึ่งคือได้พบพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ ความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่จะสอนให้เรารู้วิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์คือการหาความสุขทางจิตใจแต่เราต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายเพราะว่าเราต้องมีเวลาถ้าเราเอาเวลาไปหาความสุขทางร่างกายเราก็จะไม่มีเวลา มาหาความสุขทางจิตใจนั่นเองเราจรึงต้องเลิกหรือลดเริ่มตอนต้นก็เริ่มลดวิธีการหาความสุขทางร่างกายกันแล้วก็มาเอาเวลาที่เราได้จากการลดการหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาความสุขทางจิตใจกันวิธีที่จะหาความสุขทางจิตใจ เราก็ต้องศึกษาว่าทำอย่างไรถ้าเราศึกษาเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเราก็จะได้รู้ว่าการที่เราจะมาหาความสุขทางจิตใจได้เราต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายตอนนี้ตอนเริ่มตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ได้หาความสุขทางจิตใจนี้ เราจะใช้เวลาของเราทั้งหมดให้กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายกันวันทํางานเราก็ไปหาเงินหาทองพอวันหยุดทํางานเราก็เอาเงินเอาทองที่เราหาได้ไปซื้อความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายไปเที่ยวไปดูไปฟังไปรับประทานไปดื่มอะไรต่างๆไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆ ที่เราอยากได้อยากซื้อกันนี่เป็นวิธีการหาความสุขของเราตอนที่เรายังไม่ได้มาเรียนรู้วิธีหาความสุขทางจิตใจว่าหาอย่างไรแต่พอเรามีโอกาสได้สัมผัสได้ศึกษากับพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าาได้เรียนรู้ว่าวิธีการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ เป็นวิธีที่ผิดเพราะจะไม่ทำให้เรามีความสุขไปได้ตลอดเวลาและจะทําให้เราต้องเจอกับความทุกข์อยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่จะหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์หาความสุขแบบที่อยู่กับเราไปได้ตลอดต้องหาด้วยการหาความสุขภายในใจของเราเอง ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเราก็ต้องเอาเวลาหาเวลามาหาความสุขทางใจกันคือวันที่เราหยุดทำงานแทนที่เราจะไปหาความสุขทางร่างกายเหมือนกับที่เราเคยหากันเราลองเปลี่ยนมาหาความสุขทางใจกันด้วยการมา ศึกษาวิธีเบื้องต้นต้องศึกษาวิธีก่อนว่าทำอย่างไรถึงจะทำใจของเราให้สงบได้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอย่างนี้นทาอย่างนี้เราก็ต้องเริ่มทำพอเราเริ่มทำแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ขบวนการของการสร้างความสุขทางใจได้ ขบวนการหรือขั้นตอนของการเข้าสู่ขบวนการหาความสุขขั้นที่หนึ่งของการหาความสุขทางใจนี้ก็คือเราต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายวิธีที่เราจะทําให้เรายุติหาความสุขทางร่างกายได้ก็คือการรักษาศีลแปดขึ้นไปนั่นเอง เราต้องมาหัดรักษาศีลแปดกันหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยสิบเจ็ดเนี่ยศีลเหล่านี้เป็นศีลที่จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันศีลศีลศีลแปดนี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันที่ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกาย คือศีลข้อที่สามปกติถ้าถือศีลห้าเรายัางสามารถไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้นะแต่พอเรามาถือศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกับแฟนขอแฟนบอว่าวันนี้ของดหนึ่งวันขอหยุดหนึ่งวันหยุดการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน เพื่อที่จะได้เอาเวลาไปหาความสุขในการทำใจให้สงบนะนี่คือศีลข้อที่สี่ของศีลแปดต้องยุติการหาความสุขด้วยการหลับนอนกันแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่หกศีลข้อที่หกต่อจากศีลห้าก็คือลดการรับประทานอาหารให้น้อยลง ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานวันละสามมือ้อหรือสี่มือ้อหรือห้ามือ้อร่างกายไม่ต้องการอาหารมากขนาดนั้นความต้องการของร่างกายนี้วันละมื้อก็อยู่ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยรับประทานวันละมื้อก็อนุญาตให้รับประทานสองมื้อก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วนี่คือสีลข้อที่หก ให้ยุติการหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยา ừ, เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราไม่ได้หาความสุขจากการรับประทานยากันเรารับประทานยาเพื่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายไปเรารับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันเราก็รับประทานอาหารเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกาย คือความหิวนั่นเองรับประทานอาหารเพื่อดับความหิวไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มหนำสำราญใจเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์พอถ้ารับประทานมากๆเดี๋ยวร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอน้ำหนักเกินขึ้นมาโรค ก, ก็ตามมาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะตามมา โรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันอุด ต, ตันอะไรต่างๆก็จะตามมาแต่ถ้าเรารับอาหารรับตรับประทานอาหารเพื่อเป็นยารักษาร่างกายจะไม่มีโรคภัยด่า น, นี้ตามมากันถ้าเรารับประทานพอประมาณพอต่อความต้องการของร่างกายคือการดับความหิวของร่างกายเท่านั้นฉะนั้นรับประทานเพียง เที่ยงวันก็พอพระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดเวลาไว้ถ้าไม่กำหนดเวลาเดี๋ยวเลยเถิดเดี๋ยวเช้าก็เอาสายก็เอาเที่ยงก็เอาบ่ายก็เอาเย็นก็เอาก่อนเข้านอนก็เอากินกันทั้งวันทั้งคืนไม่ดีไม่ดีนอนหลับตื่นขึ้นมาหิวออแล้วก็ไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินอีกนะอะอันนี้เรียกว่ากินแบบ าหาความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเพราะมันมีความทุกตามมาทุกตอนที่กินไม่ได้เนี่ยเวลาน้ำหนักเกินหมอห้ามห้ามกินโน่นห้ามกินนี่เนี่ยทีนี้ตอนนี้จะทุกมากยิ่งของหวานหวานเนี่ยจะทุกเพราะติดของหวานเหมือนติดยาเสพติดกั น, นพอหมอบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วต้องลดความหวานแล้ว ความจริงต้องเรียกว่าเป็นหนักหวานหนักหวานมากกว่าเบาหวานมีน้ำตาลมากเกินไปในร่างกายแล้วมันจะฆ่าร่างกายแล้วต้องลดปริมาณของน้ำตาลให้น้อยลงพอต้องลดทีนี้แหละจะทุกข์แหละเพราะเคยกินเท่าไหร่มันอยากจะกินเท่านั้นเพิ่มกินเพิ่มได้แต่ลดไม่ได้พอลดแล้วรู้สึกว่าขาดขึ้นมาทันทีรู้สึกไม่อิ่มไม่ไม่สุขทันที แต่ถ้าเราคอยฝึกไว้เรื่อยๆคอยควบคุมการรับประทานอาหารไปเรื่อยๆเราก็จะไม่มีปัญหาที่จะต้องมาคอยลดอาหารในภายหลังว่าเราคอยลดตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยนี่คือมาตรการของการไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลมาวุ่นวายกับการรับประทานอาหารทั้งวันทั้งคืนเราจะได้มีเวลาไป สร้างความสุขทางใจกันนั่นเองแล้วก็ถ้าไม่รับประทานอาหารมากมันก็จะไม่มีอุปสรรคในการมาสร้างความสุขทางใจถ้ารับประทานอาหารมากมันก็จะสร้างอุปสรรคขึ้นมาคือความง่วงนอนความเกลียดครานพอกินอิ่มๆเนื้อมันไม่อยากจะทำอะไรนะอยากจะนอนนั่งสมาธิก็สับประก ให่เดินจงกรมก็ก้าวไม่ออกกาวในไม่รู้มันมีกาวมาติดไว้ตรงไหนไม่รู้ยกเท้าขึ้นมาแต่ละครั้งนี่รู้สึกว่ามันหนักไปหมดนะแต่ถ้าพอไม่กินอาหารมากนี่ตัวจะเบาเดินยังเดินจงกรมนี่ตัวปลิวเลยนั่งนั่งสมาธิก็แข็งตัวแข็งเลยไม่มีงานสับประหกคอไม่พับเนี่ยอันนี้ประโยชน์ ของการที่เราถือศีลแปดกันเพื่อให้เรามีเวลาและเพื่อกําจัดอุปสรรคต่างๆที่จะมากีดขวางการสร้างความสุขทางใจนั่นเองนี้คือศีลข้อที่หกแล้วเราก็ต้องถือศีลข้อที่เจ็ดคืองดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากมือหรวลบ็บันเทิงต่างๆนะ ไม่ไปร้องนำทำเพลงเต้นแรงเต้นกาในบาร์ในดิสโก้ไม่ไปดูหนังดูละครไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปการเลี้ยงต่างๆงานเลี้ยงวันเกิดวันฉลองวันอะไรต่างๆเพราะจะทำให้ไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจนั่นเอง แล้วก็ไม่ให้เสริมสวยความงามให้เสียเวลาถ้าไม่ออกไปข้างนอกท่านห้งสมาธิไม่จำเป็นจะต้องแต่งชุดหรูหลาชุดลาตีใส่เสื้อผ้าสบายสบายชุดนอนดีกว่ามันสบายไม่รัดตัวเวลาปฏิบัติธรรมนี้ไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้ารัดตัวไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่มีความวิจิตพิสดารใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดอวัยวะร่างกาย เพื่อปกป้องภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือความหนาวเย็นของอากาศเท่านั้นนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขทางใจนี้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันมากกับการใส่เสื้อผ้า ขอให้มีเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายให้เรียบร้อยไม่ดูอุจจ่าตาก็พอแล้วไม่จาเป็นจะต้องเป็นเสื้อผ้าประดับเพชรประดับพลอยหรือเสื้อผ้ามีสีวิจิตรพิสดารต่างๆเสียเวลาเสียเงินเสียทองจะทำให้ไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจแล้วก็ให้ถือศีลข้อที่แปดคือไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีไม่ให้นอนมากเกินไปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเ<ม>พราะมันจะสบาย<ม>เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาถ้ามันนอนสบายใจมันจะไม่อยากหลุก<ม>จะขอต่ อ, อกสองสามชั่วโมงมแต่ถ้าให้นอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อ พราะมันไม่สบายพื้นมันแข็งพระพุทธเจ้าเลยห้ามไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสื่อก็พอไว้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนของร่างกายถ้านอนแบบนี้จะนอนไม่มากสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะได้มีเวลาขึ้นมาสร้างความสุขทางใจต่อไป การจะสร้างความสุขทางใ จ, จรงเราจรึงต้องมีเวลาวิธีเยียดที่จะทําให้เรามีเวลาก็คือการรักษาศีลแปดนี่เองพอเรารักษาศีลแปดแล้วใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่มีอะไรทําเลยไปอยู่วัดนี้จะรู้สึกเหงาขึ้นมานทันทีถ้ายังทําไม่เป็นนี่ถือศีลแปดไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์เพราะมีเวลาแต่ไม่รู้จะเอาเวลาไปทําอะไร ต้องหัดวิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิก่อนทําไมต้องเดินจงกรมทําไมต้องนั่งสมาธิเพราะที่นี่คือวิธีที่จะทําให้ใจเรานิ่งใจเราสงบนั่นเองการเดินจงกรมก็ไม่ได้เดินเหมือนเดินธรรมดาการเดินจงกรมนี้ให้เดินด้วยการมีสติคือต้องการสร้างสติขึ้นมาเพราะสตินี้จะเป็น ตัวที่จะมาทําให้ใจสงบตัวที่จะทําให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาต้องมีสติต้องหยุดความคิดสติมีไว้เพื่อมาหยุดความคิดต่างๆความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ปิดกั้นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราพวกเราตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขอันยิ่งใหญ่ในใจของเราเลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่เคยหยุดคิดเลย เราคิดตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาก็เริ่มคิดแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้วุ่นวายไปหมดเลยไม่เคยเจอกับความสุขที่มีอยู่ในใจของเราเพราะเรามีความคิดปิดบังเอาไว้ปิดกั้นเอาไว้ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เอาความคิดที่ปิดกั้นความสุขนี้ออกไปได้ความสุข ที่มีอยู่ในใจของเราจะโผล่ขึ้นมาทันทีจะทําทให้เรารู้สึกแปลกประหลาดมหศัศจรรย์ใจว่าโอ้ยเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายอยู่ในตัวเรานี่เราโงู้มานานเราหลงไปหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกมาร้องห่มร้องไห้เวลาหาไม่ได้หรือเวลาได้มาแล้วสูญเสียไป มีแต่ไปหาความทุกข์โดยคิดว่าเป็นการไปหาความสุขแต่พอว่าเรามาหยุดความคิดได้เท่านั้นนะความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนที่มหสาสัจจใจนี้มันจะโผล่ขึ้นมาในตัวของเราเองในใจของเราเองจะทําให้เราหายโง่จะร้องอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงสละความสุขของพระเจ้าแผ่นดินได้ แล้วไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบนักบวชเพราะการไปอยู่แบบนักบวชจะมีเวลาให้มาสร้างความสุขทางใจนี้เองแต่ถ้าอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินนี้จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจได้เพราะทุกคนนี้จะคอยหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยกันก็เลยต้องสะละราชสมบัติไปรักษาศีลแปด ศีลสิบศีลสองร้อยยีเดเพื่อที่จะได้มีเวลามาหยุดความคิดมาสร้างสติเพื่อหยุดความคิดเนี่ยฉะนั้นผู้ที่จะไปถือศีลแปดได้ประโยชน์จากศีลแปดนี้ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติก่อนถ้ายังไม่รู้จักวิธีไปถือศีลแปดก็ไม่ได้อะไรมากได้เพียงแต่าการอดกั้นความอยากไม่ให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเท่านั้น ดังนั้นในเบื้องต้นถือศีลห้าไปก่อนก็ได้เวลาหัดสร้างความสุขทางใจใหม่ๆถ้ายัางไม่มีกำลังที่จะรักษาศีลแปดก็ถือศีลห้าไปก่อนเพราะเราคงจะไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิหรือโดนจงกรมได้เป็นเวลาอันนานนั่นเองนั่งได้แค่สิบนาทียี่สิบนาทีก็ถือว่าเก่งแล้วเวลาเริ่มต้นใหม่ๆ ฉะนนช่วงเริ่มต้นใหมายนี้ยังไม่ต้องกังวลบปการไปถือศีลแปดศีลสิบก็ได้เอไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้ขอให้เรามีเวลาว่างแล้วก็อยู่คนเดียวที่ไหนสักแห่งหนึ่งอยู่ในห้องของเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครลองนั่งหลับตาแล้วฝึกสติไปก่อนก็ได้เอวิธีฝึกสติง่ายๆก็ให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าะ ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจถท่านั้นเองนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนขอบเตียงก็ได้เพียงแต่ให้เราควบคุมใจอย่าให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการใช้การบริกรรมหรือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือคาว่าพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆยลองนั่งหลับตาแล้วลองพุทธโธดู มันไม่ยากเย็นตรงไหนหรอกทำได้กันทุกคนแม้แต่เด็กก็ยังทำได้เพราะหลับตาแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่ยานานได้จนกว่าเราจะพุโทโธไม่ไหวจนกว่าที่เราจ ะ, ะไม่สามารถจะนั่งต่อไปได้เราค่อยเลิกหรือถ้าเราอยากจะทำต่อถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินต่อก็ได้ เนแล้วเราก็พุโทโธต่อไปพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่เราพุโทโธเราก็จะหยุดความคิดไปได้หนึ่งครั้งเราพุโทโธสองครั้งเราก็จะยุดความคิดไปได้สองครั้งเราก็พยายามหยุดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆยังหยุดมันแบบถาวรแบบเต็มที่ไม่ได้พอหยุดปับ๊บเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เราก็พุโทโธต่อไป ใหม่ๆความคิดกับพุโทโธมันก็จะแข่งกันเราก็ไม่ต้องไปกังวลมันจะคิดเราอย่าไปสนใจกับความคิดอย่าไปคุยกับมันเราชอบคุยกับความคิดของเราอยู่เรื่อยๆวันนี้จะไปไหนไปนั่นดีไม่นี่ดีไหมเราคุยกับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธนี้เราจะหยุดคุยกับตัวเราเราจะหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พยายามทำไปเรื่อยๆใหม่ๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่วัดไปถือศีลแปดขอให้เราหัดทําพุโทโธให้ได้ก่อนเพื่อที่ในเวลาที่เราอยากจะไปวัดการที่อยากจะไปวัดก็เพราะเราอยากจะทําให้แม่นมากเพราะถ้าอยู่บ้านนี้มันจะไม่มีเวลามากเดี๋ยวคนนั้นก็ต้องมารบกวนคนนี้ก็ต้องมารบกวนก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะทําได้อย่าง ต่อเ น, นื่องได้หลายหลายชั่วโมงเหมือนกับเวลาที่ไปอยู่วัดเนี่ยตอนต้นเวลาที่เราเริ่มฝึกหัดนี้เราไม่ต้องไปอยู่วัด เ, เราทำที่บ้านได้เนี่ขอให้เรามีเวลาว่างสักครึ่งชั่วโมงนี้ก็ทำได้แล้วหรือสิบห้านาทีก็ทำได้แล้วขอให้เราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีอะไรจะต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราก็มานั่งคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเนี่ย แล้วใจของเราก็จะเริ่มเบาลงสบายลงความคิดจะว่างจะน้อยลงจะน้อยลงเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างที่เราพุโทโธกับเวลาที่เราคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆเวลาคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆใจเรามักจะวุ่นวายว้าวุ่นขุนมัวหนักอกหนักใจวิตกกังวล แต่พอเรามาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปความรู้สึกวุ่นวายใจความรู้สึกหนักอกหนักใจอะไรต่างๆก็จะคลายไปจะเบาลงเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการเจริญสติของการบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไปเราก็อาจจะทำควบคู่ไปกับเวลาที่เราทำอะไรได้ เวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธได้เช่นเวลาเราอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมรับประทานอาหารเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้ามันจะไปคิดเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธใช้พุโทโธพุโทโธดีกว่ายิ่งทำพุโทโธได้มากเท่าไหร่ใจยิ่งว่างยิ่งเบายิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับ จนต่อไปก็จะทำให้เรานี่อยากจะไปนั่งเฉยๆนั่งคนเดียวพอเรานั่งเฉยๆนั่งคนเดียวแล้วอยู่กับพุโทโธได้ใจก็จะยิ่งสงบมากขึ้นและดีไม่ดีอาจจะสงบได้อย่างเต็มร้อยขึ้นมาก็ได้ถ้าเกิดได้พบกับความสงบแบบเต็มร้อยแล้วนี่เราจะเกิดเราจะพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะ มหัศจรรย์ใจเท่ากับความสงบนี้ต่อให้เราไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต่างๆที่เขามีกันอยู่ในขณะนี้เวลาไปดูจริงๆก็รู้สึกเฉยๆตอนต้นดูรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่พอดูไปมันก็รู้สึกมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์ใจแต่ถ้าเรามานั่งเฉย ๆ, ๆมานั่งหลับตามาพุโทโธพุโทโธได้ โดยที่สามารถหยุดความคิดไดนะ้เราจะพบกับความสุขที่น่ามหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นความสุขเป็นสิ่งเราจะสามารถพูดได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์ใจของโลกที่แท้จริงเพราะมันมหัศจรรย์ใจจริงๆสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้มันต้องมานั่งคิดว่าโอ้ยมันใหญ่โตอย่างนั้นมันอย่างนี้ออมันน่าอัศจรรย์อย่างนี้นะแต่ความ อัศจรัน์ของความสุขนี้ไม่ต้องมานั่งคิดปรุงแต่งมันจะแสดงความอัศจรัน์ให้เราเห็นถ้าเราได้พบกับความอัศจรยัยตของความสงบนี้แล้วต่อไปเราจะไม่อยากจะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปเราก็จะอยากมีเวลาไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้น ตอนนั้นแหละเราอาจจะอยากจะไปวัดนะอยากจะไปถือศีลแปดอยากจะไปอยู่คนเดียวเพราะเวลาอยู่กับคนหลายคนนี่มันวุ่นวายหนอะคนนั้นก็เอาอย่างนั้นคนนี้ก็เอาอย่างนี้เอาเท่าไหร่ก็ไม่พออกไม่พอใจดีไม่ดีเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องมีราวกันทำให้จิตใจว้าวุ่นขุนมัวขึ้นมา เวลาไปอยู่คนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องแบมีเรื่องกับใครใจสบายกว่าเยอะสาเหตุที่คนที่ยังไปอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่ายังเหงาอยู่ยังไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบพอไปอยู่คนเดียวไม่มีเรื่องราวให้มาคิดไม่ให้มีเรื่องราวมาวุ่นวายก็เลยเหงาขึ้นมาก็เลยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องกลับมาอยู่กับคนอื่น ถึงแม้ว่าจะวุ่นวายใจมันก็ยังดีกว่าความเหงาแต่ถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้แล้วเราจะไม่เหงาเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวไม่รู้สึกว่าอยากจะไปเจอคนนั้นอยากจะไปเจอคนนี้เราจะชอบอยู่คนเดียวเราจะหาความสุขจากการอยู่คนเดียวดีกว่า เพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าแน่นอนกว่ามั่นคงกว่าถ้าไปอาศัยความสุขจากคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาไม่ให้ความสุขกับเราก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวเขาทะเลาะกับเราก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเห็นพอกล่พอเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นครั้งแรกแล้ว เราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขทันทีจะเริ่มจะเลิกหรือจะลดการหาความสุขผ่านทางร่างกายทาเท่าที่จำเป็นเพราะเรายังต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นอยู่เขายังต้องอาศัยความสุขจากเราอยู่เราก็ต้องไปกับเขาบ้างเขามีงานวันเกิดก็ต้องไปบ้างมีงานแต่งงานก็ต้องไปบ้างแต่ถ้าวันไหนที่เราว่างเราไม่ต้องไป ทำภารกิจเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็จะไปหาที่สงบอยู่ดีกว่าไปทําใจให้สงบดีกว่าต่อไปพอเราทําได้มากขึ้นมากขึ้นความอยากที่จะอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบก็จะมีมากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะไปอยู่วัดเป็นเวลายาวนานครั้งแรกไปอยู่อาทิตย์ละครั้งต่อไปก็อาทิตย์ละสามวันอาทิตย์ละห้าวันบางทีก็ไปอยู่ ครั้งละสองอาทิตย์สามอาทิตย์นนานๆค่อยกลับมาบ้านสักครั้งกลับมาทําธุระที่จําเป็นพอเสร็จก็ไปใหม่ดีกว่าต่อไปก็จะไม่อยากจะกลับมาก็เลยปลดธุระต่างๆที่มียกให้คนอื่นไปหมดมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมีอะไรที่ต้องมาดูแลก็ยกให้คนอื่นไปเราขอไปเอาขอตัวเราไปคนเดียวขอไปอยู่คนเดียวเพื่อไปหาความสงบ ที่เกิดจากการทำใจให้สงบหาหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบดีกว่าต่อไปเราก็จะไปบวชกันแล้วก็จะมีเวลาที่ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พอปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้าก็รับประกาศว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะสามารถสร้างความสุขแบบยั่งยืนถาวรได้ นั่นก็คือความสุขของพระนิพพานแล้วก็ผู้มีผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าส่งปากจัไว้บางคนก็สำเร็จภายในเจ็ดวันบางคนก็สำเร็จภายในเจ็ดเดือนบางคนก็สำเร็จภายในเจ็ดปีกลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีมาจนถึงปัจจุบันนี้พระอริยสงสาวก ของพระพุทธเจ้าแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็เพราะยังมีผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่รักษาศีลแปรักษาศีลสิรักษาศีล2อ ร, 10, รแล้วก็มาเจริญสติควบคุมความคิดให้หยุดความคิดทำใจให้สงบแล้วก็คอยกำจัดตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบก็คือกิเลสตัณหาต่างๆความโลภความอยากต่างๆ ด้วยปัญญาด้วยการสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างเดียวมันมีทั้งสุขและมีทั้ ง, ท, งทุกข์ตามมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นก็จะเลิกหยุดเลิกทำตามความอยากได้เพราะสิ่งที่ความอยากต้องการล้วนเป็นมีความทุกข์ติดมาด้วยทั้งนั้นต่อไปความอยากก็หมดไปภายในใจ พาไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบอย่างถาวรความสุขที่ได้จากความสงบอย่างถาวรก็จะเป็นบารมมะสุขขึ้นมาเรียกว่านิบานังปละมังสุขขังความสุขของพระนิพพานเป็นบารมมสุขหรือพระนิพพานนี้เป็นบารมมะสุขนิพพานคืออะไรก็คือใจที่สงบใจที่บริสุทธ ใจที่ได้ชำระความโลภความอยาก ต, าต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วเ <Hayır. S 1> <lk. S 2> มื่อไม่มีความโลภความอยากแล้ว <c oughs> ก็จะไม่มีความไม่สงบอีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วเมื่อไม่มีความอยากก็ <c oughs> จะไม่มีการไปเกิดอีกต่อไป <c oughs> ไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป หลังจากที่ร่างกายที่มีอยู่นี้ตายไปก็จะไปไม่ไปมีร่างกายใหม่อีกต่อไปพระพุทธเจ้าพราะอราหันต์ทั้งหลายท่านจงไม่เกิดกันแต่พวกเรานี้ถ้ายังมีความอยากอยู่ใจของพวกเราก็จะพาพวกเราไปเกิดกันอยู่ได้เรื่อย พอตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทำอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ทำไปจนถึงวันตายแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาทำใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเราได้มาสร้างความสงบภายในใจได้อย่างถาวรกําจัดความโลภความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไปเพราะทุกข์ย่งไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังม า, มาเกิดอยู่ก็ยังต้องมีทุกข์อยู่ดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาลองเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันลดหยุดหยุดการหาความสุขทางร่างกายชั่วคราวแล้วลองมาหาความสุขทางใจกันมาลองชิมรสแห่งธรรมดูกันว่า รสแห่งธรรมนี้เป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้หรือไม่ถ้าเราลองมาชิมแนละ้วรับประกันได้ว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเต็มร้อยว่าเป็นความจริงรสแห่งธรรมนี้ชนะรสทั้งปวงถ้าเราได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบนี้แล้วเราก็จะติดใจแล้วเราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการใช้ร่างกายมาหาความสุขจากการควบคุมใจให้สงบแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ความสุขทางใจอย่างเต็มร้อยต่อไปนี่คือเรื่องราวที่พระเจ้าทรงอยากให้พวกเรามาเรียนรู้กันและนําเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนาราโสยธามณีโชติอราโสยธาสัพีติโยวิวัชฉันโตสัพพโรโควมีนัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนัสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกหรือปิดไมแล้วก็ของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็ใส่กระเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ยอดผู้ชมทางเฟซบุ๊กมีสามร้อยสิบสี่ท่านค่ะ ทาง YouTube 3, ยูทูบสองรอสสิบสาวิทยุสิบสี่ผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิบหกท่านค่ะรวมเป็นเจ็ด้อยห้าสิบเจ็ดท่านเจ้าค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณภชระค่ะตอนเด็กๆผมเคยบวชหน้าไฟให้ปู่หนึ่งวันเคยรับเงินจากญาติด้วยอันนี้ผิดศีลใช่ไหมครับผมจะได้รับผลอะไรครับ ก็ไม่ผิดหรอก็เพราะว่าเราไม่รู้แล้ววัดที่เราไปบวชเขาอาจจะรับเงินกันก็เลยแล้วแต่วัดถ้าเราไปอยู่วัดที่เขารับเงินได้ก็รับไปถ้าวัดที่เขาไม่ให้รับเงินด้วยตนเองก็ต้องฝากให้ให้ลูกศิษย์รับให้เก็บไว้ให้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นเรื่องอา่าเขาเรียกอะไรขอขาดบาดตายทําไปตามกฎระเบียบ คำถามจากคุณนิยาค่ะนั่งสมาธิแบบตามลมหายใจเป็นแบบไหนเจ้าค่ะก็ดูลมไม่ให้ตามลมให้นั่งดูลมที่เข้าออกยึดตรงที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาปล่อยให้ลมมันเข้าไปปล่อยให้มันลมออกมาเราดูตรงที่ปลายจมูกถ้าเราคอยดูลมเราก็จะไปคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ การดูลมก็เพื่อให้เราหยุดคิดเท่านั้นเองถ้าเราหยุดคิดแล้วใจเราก็จะสุขจ ะ, จะสงบจะมีความสุขขึ้นมา คำถามจากคุณิยาค่ะระหว่างคนนั่งสมาธิสองสามชั่วโมงแต่จิตฟุ้งซ่านมากๆกับคนที่นั่งสมาธิหนึ่งนาทีแต่จิตสงบแบบไม่ฟุง้งซ่านแบบไหนมีอนุภาพมากกว่ากันเจ้าคะาก็ต้องสงบสิถ้านั่งไม่สงบนั่งกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่งเพื่อให้มันสงบ อีคําถามค่ะจิตไม่มีหน้าตาไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่มีชื่อเป็นเพียงความรู้สึกนิคิดใช่ไหมเจ้าคะเออใช่แล้วถูกต้องคําถามจากคุณกนกวันค่ะกราบเรียนหาพระอาจารย์ว่าไข่ไก่มีวิญญาณครองหรือไม่เจ้าคะถ้าซื้อไข่ไก่มาต้มนี่ผิดศีลปานาไหมคะถ้ามันชนิดที่มีตัวมันก็มันก็แสดงว่ามีมีดวงวิญญาณ ถ้าไม่มีไม่มีตัวไม่แต่ก็ไม่มีดวงวิญญาณก็ไม่ผิดศีลนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเป็นไก่แบบนั้นไก่ที่เข้าไปฟักเป็นลูกนี่มันมีตัวแต่ไก่ที่เข้ามาขายส่วนใหญ่มันไม่มีตัวคำถามจากคุณปิชยาอยากให้พระอาจารย์แนะนำคะ่ะคือชอบฟังธรรมและภาวนา จะสงบมากกว่าสวดมนต์อันนี้ยังถือเป็นการปฏิบัติไม่ครบใหม่เจ้าคะ่ะครบแล้วล่ะการสวดมนต์ก็เป็นขั้นต้นของการภาวนาถ้าเรายัางนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนเพอเราสวดมนต์พอเราเริ่มภาวนาได้เราก็เลิกสวดมนต์ได้การสวดมนต์นี่เป็นเหมือนขั้นอนุบาลเพราะเราขึ้นป .1 แล้วเราก็ไม่ต้องไปเรียนชั้นอนุบาลอีก พอเรานั่งสมาธิได้ดูลมหายใจหรือพุทโธได้เราก็ไม่ต้องสวมดมนต์ก็ได้คำถามจากคุณจันทร์ิริค่ะศีลมีผลต่อการทําสมาธิอย่างไรเจ้าคะศีลก็มีการระ ง, งับการกระทําที่จะทําให้จิตใจวุ่นวายหรือไ ม, ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งสมาธิถ้าศีลห้าก็ป้องกันไม่ให้ใจไปทํำเรื่องที่จะต้องทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา ถ้าใจวุ่นวายก็ไปนั่งสมาธิยากถ้าใจไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องที่ทำผิดศีลมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคส่วนศีลแปก็จะเพิ่มให้ใจมีเวลามากขึ้นต่อการไปภาวนาเพราะศีลหยังไม่ห้ามกิจกรรมบางอย่างแต่พอถือศีลแปแล้วห้ามกิจกรรมทั้งหมดทางร่างกายเพื่อจะได้มีเวลาเต็มร้อยไปให้กับการภาวนากับการปฏิบัติต่ตอไป คำถามจากคุณมณีค่ะจิต ท, ที่เป็นพุทธะกับจิต ท, ที่เป็นอรหันต์เหมือนกันไหมเจ้าคะอันนี้เป็นโวหานีพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าอารหันต์ก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าก็เป็นทั้งสองอย่างเราเรียกเขาพระอรหรันต์ัส ม, มาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วก็เป็นผู้ตัดสู้วิธีทำให้สิ้นกิเลสเราก็เรียกว่าผู้ที่รู้วิธี ทำให้กิเลสหมดไปนี้ด้วยตนเองเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าสาวกพระอาหารหันต์จึงมีสองแบบมีพระอาหารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้ากับมีกับพระอาหารหันต์สาวกนมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวในศาสนาพุทธนอกนั้นต้องเป็นสาวกทั้งหมดเพราะต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถทําให้ใจสิ้นกิเลสได้น คำถามจากคุณจันทริค่ะถ้ายังผิดศีลอยู่เวลาภาวนาจิตจะรวมได้ไหมเจ้าคะเวลาภาวนามันก็มีศีลกลับคืนมาแล้ะเวลาเรานั่งเราก็ไม่ได้ไปทำบาปทำอะไรเพียงแต่ว่าบาปที่เราทำในอดีตมันอาจจะมาลบกวนใจเราในขณะที่ทำสมาธิแต่ถ้าใจเรามีสติมากก็อาจจะสู้กับความกังวลใจต่างๆที่จะมารบกวนใจได้ เหมือนกันถ้านั่งสมาธิได้ก็ถือว่าบาปหรือการไม่มีศีลก็ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปถ้ายังมานั่งไม่ได้นี่ก็ถือว่ายังเกิดจากอุปสรรคจากการไปทำบาปอยู่คำถามจากโกปองค่ะเคยฟังพระพูดว่าทุกอยู่ที่ไหนให้ดับที่นั่น หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะเราทําทอย่างไรแล้วเจ้าค่ะเวลาไฟลุกจะไปดับไฟที่ไหนนะไฟลุกที่บ้านเราไปดับไฟที่รถมันจะได้หรือเปล่าไฟลุกที่บ้านก็ต้องดับไฟที่บ้านทุกมันเกิดที่ใจก็ต้องไปดับที่ใจแตเราโง่กันเวลาเกิดความทุกข์ใจเราก็ไปดับที่คนนั้นเพราะเราไปคิดว่าเขาทําให้เราทุกข์เช่นคนเขาด่าเราอย่างนี้เราก็เลยไปจัดการกับเขาเพื่อให้เราจะได้หายทุกข์ มันไม่หายหรอกทุกมันเกิดที่ใจเราต้องดับความทุกข์ที่ใจสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็เพราะไม่อยากให้เขาด่าเราถ้าเรามาหยุดสาเหตุนี้อย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราปล่อยให้เขาด่าเรา ถ้าเราหยุดความอยากไม่เขาด่าเราได้ต่อไปเขาอยากเรากิดด่าเรากี่ครั้งเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเรากลับจะดีใจเออวันนี้เขาด่าเราแสดงว่าเขาคิดถึงเราเขารักเราเขาชอบเราเห็นอย่าไปแก้ความทุกข์ใจต้องแก้ที่ใจแก้ที่สาเหตุของใจดับความดับความอยากของใจแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปอย่าไปแก้ที่คนที่เขาด่าเราไม่จบ พอเขาดา่าเราก็ด่าเขากลับเขาก็เลยตีเราเนี่ยตีเราเราก็ฆ่าของเนี่ยมันนี่ก็ไปกันใหญ่คําำถามจากคุณชนัญยาค่ะหากเราไม่ได้ห้อยพระที่กันผี หรือมียันที่การพูผีการสิ่งอัปมงคลต่างติดตัวเวลาเดินทางไปไหนเราจะรักษาเนื้อตัวอย่างไรไม่ให้สิ่งไม่ดีที่เรามองไม่เห็นมายุ่งกับเราได้เจ้าคะการไม่ได้หรอกของพวกนี้การไม่ได้พวกที่เขาไปท่องอากาศแม่นก็มียันมีพระห้อยคอไปเลย <c oughs> <c oughs> เป็นความเชื่อของเรานั้นเอง จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะอยากทราบว่าธรรมานุสารีและศรัทธานุสารีคือบุคคลประเภทใดคะผู้ที่เป็นกัลยาณชนมีศรัทธาถือศีลห้าศีลปดจัดเป็นคนที่อยู่ในประเภทนี้หรือไม่เจ้าคะอันนี้ต้องไปค้นตำรา ด, ดูนะไปถาม Google ดูก็ได้เราไม่ได้เรียนทางนี้ คำถามจากคุณอำพาร์ค่ะคนที่ผูกคอตายแล้วตายแล้วจะไปไหนเจ้าคะก็เหมือนกับคนที่ยังไม่ผูกคอตายอยู่ที่เดียวกันจิตไม่มีไม่เคลื่อนไหวจิตอยู่ที่กับที่จิตอยู่ในโลกที่แต่สภาพจิตเปลี่ยนไปจากไม่ทุกข์กายเป็นทุกข์จากจากการเป็นมนุษย์กลายเป็นนรกไป พอไปทําบาปฆ่าตัวตายนี่ก็ไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาในใจใจทุกข์จากการฆ่าก็เลยกลายเป็นเงาลบขึ้นมาแต่ใจไม่ได้เคลื่อนไปไหนมาไหนใจไม่มีไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างมันจะไม่มีการเคลื่อนที่มันเป็นสภาพอาการของใจที่เปลี่ยนไปเวลาทําบุญใจก็ เป็นความสุขเราก็เรียกว่าไปสวรรค์เวลาใจทําบาปใจเป็นทุกข์เราก็เรียกว่าไปอบายไปนรกเท่านั้นเองอยู่ที่เดิมแต่สภาพจิตใจเปลี่ยนไป คำธรมจะคุณยอดฮิตค่ะอดีตที่ผ่านมาครอบครัวกระผมยากจนต้องดิ้นรนหากินบางครั้งก็ต้องฆ่าสัตว์มากและต่อมาก็มีพออยู่พอกินแล้วก็หันหน้าเข้าวัดแต่พอทำบุญไปก็คิดถึงเรื่องในอดีตไม่รู้ว่าสิ่งที่จะทำเป็นบาปไหมครับและบุญที่ทําข้างหน้าพอที่จะลบล้างบาปได้ด้วยหรือเปล่าครับควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีครับ ก็ควรเลยมาดีที่ผ่านมาแล้วเราไปแก้ไนไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือปัจจุบันทำให้มันดีทำให้มันมากขึ้นถ้าเราทําทำบุญมากขึ้นมากขึ้นต่อไปบุญก็จะมีมากกว่าบาปแล้วบุญก็จะทำให้เราไม่ต้องไปใช้บาปได้เช่นพระองคุลิมาเนี่ยองคุลิมาณ น, นี่ยฆ่าคนถึงเก้าร้ยเกสิบคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้ไปฆ่ากิเลสแทนะ พอฆ่ากิเลสตายหมดก็กลายเป็นผ้าอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดมารับผลบาปอีกต่อไปคำถามจากคุณอุมาค่ะได้เปลี่ยนอริยบทสมาธิมาเป็นการเดินมีช่วงหนึ่งพบว่ามีภาพที่เคยเห็นเข้ามาในตาจึงมองดูพบว่าขณะนั้นจิต ยังอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าออกและภาพก็ยังค้างอยู่ที่ตานิ่งอยู่อย่างนั้นพร้อมๆกันโดยที่จิตไม่ติดในภาพที่เห็นแต่ติดที่ลมหายใจที่กําลังไหลเข้าออกภาพก็ไม่ได้ติดที่จิตขณะนั้นจึงตัดสินใจนําจิตไปมองภาพที่เกิดขึ้นลงไปจนภาพนั้นหายหลังจากถอนสมาธิจึงมาคิดถึงเหตุการณ์พิจารณาพบว่าช่องทางที่เรานําสิ่งนอกออกมา นำสิ่งนอกที่มามาอยู่ในตาเรานี้ไม่ใช่แค่การคิดป ร, ปรุงแต่งของจิตอย่างเดียวแต่มาได้จากหลายช่องทางของร่างกายถ้าเราไม่นำจิตไปสนใจมันสิ่งนั้นก็อยู่ของมันอย่างนั้นคำถามคือความเข้าใจที่ว่าสิ่งนอกมากระทบเราไม่ใช่แค่การที่จิตเราออกไปปรุงแต่งแต่มาจากหลายช่องทางนั้นถูกหรือไม่เจ้าคะ มันไม่จำเป็นจะต้องไปคิดให้มันเสียเวลาให้รู้วิธีเวลาปฏิบัติกับมันเวลามันมาก็พอคืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันมันอะไรจะมาเราก็พุทโธของเราไปดูลมของเราไปเท่านั้นเองเราจะไปรู้เลยมันมาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้นหกหรือชั้นเจ็ดหรือมาจากนรกขุมไหนมันเรื่องของมันไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปสนใจให้รู้วิธีปฏิบัติกับมันวิธีปฏิบัติกับมันก็คืออย่าไปสนใจ พิจารณาให้มันว่าเป็นเป็นไต่ลักมันเกิดดับของมันเองเราไปอยากให้มันเกิดหรือดับจะทำให้เราทุกข์งั้นอย่าไปยุ่งกับมันคือสรุปให้กลับมาดูลมมาพุทโธอย่างเดียวมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปคำถามจากคุณเต่าค่ะกรรมที่พ่อแม่เราทำไว้กับปู่ย่าตายายลูกหลานจะได้รับกรรมที่พ่อแม่ทาไว้หรือไม่ครับ อกรรมใครกรรมมันใครทากรรมมันได้อันใดว่าจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหมดนั่นแหละอีกสองคำถามครับอาจารย์อคําถามจากคุณไพฑูลค่ะความง่วงเหงาหานอนหรือที่ที่เรียกว่าถีนามิทะในนิวรห้ากับความง่วงนอนเนี่ยคืออันเดียวกันไหมครับ อ, อันเดียวกันนั่นแหละง่วงนอนก็ง่วงนอน <laughs> คำนมสุดท้ายค่ะจาคุนิยาถ้าบิดาให้เงินเราแล้วเงินนั้นก็ถือว่าเป็นของเราหรือเปล่าเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเขาให้อย่างไรไงถ้าบอกเขาให้เป็นค่าจ่ายค่าเราเรียนก็ไม่ใช่ของเราเราทำไมจ่ายค่าเราเรียนแต่เขาบอกอานนี้ให้เธอเธอจะไปใช้อะไรก็ได้อ น, นี้ก็เป็นของเราเราจะไปทำบุญก็ได้จะไปทำบาป ก, ก็ได้แต่ถ้าเขาให้แล้วบอกว่าต้องเอาไปทาอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ให้เราเขาใช้เรา นายญาติโยมบงดีถวายเงินให้เราเราบอกให้เอาไปทำนู่นทำนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ให้เราใช้เราใช้เราไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ ขออีกคำถามครัอาจารย์จากคุณอินฟินิตี้ถ้าเราเบื่อญาติพี่น้องครอบครัวที่สร้างความเดือดร้อนใจสร้างนี้สินเห็นแก่ได้เบียดเบียนเราทำอย่างไรถึงจะตัดเวรตัดกรรมไม่ต้องเกิดมาร่วมกันอีกในชาติหน้าพบหน้ารู้สึกเบื่อหน่ายและเสียสุขภาพจิตรหรือเกินเจ้าค่ะขอคำแนะนำหรืออธิษฐานอย่างไรให้พ้นจากตรงนี้เจ้าค่ะ อ, อ, อธิษฐานไม่ได้ต้องไปบวชอย่างเดียวไปบวชแล้วไปนิพพานมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด